ยังเป็นต้องมีสานักสอนนิพสนากันมากการเจริญนิพจน า, าก็าาตามเจริญสมถะกรรมฐานก็ตามมันต้องมีอุปสรรคข้อของดีอยู่ที่ไหนข อ, ของเลวร้ายก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันกับบุคคลที่มีเงินมีนมข้าวของมากมากผู้ร้ายขโมยก็พยายามดุร้ายอยู่อย่างนั้นเนี่ย เพราะเขาต้องการสิ่งที่คนนั้นมีหรือขอมดีกับบุคคลนั้นการจเจริญนิพพานหรือจเจริญกรรมฐานก็ต า, ามจึงมีอุปสรรคเราเคยดูหนังสือว่ามีวิปัสสนูมีวิปัสสนาแต่ จ, จินตญาณนั้นผมดูหนังสือไม่ค่อยมีดังนั้น การเจริญกรรมฐานจริญวิปสนานี้จึงเป็นอุปสรรคคือวิปสมนข้อแรกข้อที่สองเดือจินตายนข้อที่สามเดียอ ว, ว่าวิปลาดเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เ็าต้องทำการกระทำเช่นนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่รู้ ไม่เค่ว่าจะอาศัยเพียงตำรักําลาพอแล้วไม่จางนั้นต้องอาศัยสิ่งที่ประสบการณ์มาบุคคลที่เคยรู้เคยปฏิบัตินั้นต้องประสบการณ์มาจริงจริงอันคนใดพูดได้แต่ยังไม่เคยประสบการณ์อันนั้นยังไม่เข้าใจยังไม่เข้มแข้งเพียงรู้จำมาจากตำรักตำลาเท่านั้นแล้วก็รู้จักมาจากตำราเท่านั้นจริงค่ะ แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ทดบตบ ก, กันผมเคยได้ยินบ่อ ย, อยเรื่องคนกินจิตใจไม่ปกติจิตใจท่านเฟือนอันนี้ก็เหมือนแบบคนไม่รู้นั่นเองโดยเมื่อเรื่องทำสมมถานนี้ต้องกางความสงบตัวคนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ควาสงบเพราะความสงบนั้นเด็กๆ ก, ก็พูดได้ คนแก่ก็พูดได้พระพิสุสมัมเนธพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือความสงบเกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับคนามสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นนั้นอันนี้ใครใคก็พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นํามาสอนกันอันนี้ มันพวกที่ทำกรรมฐ า, านก็ตางทำวิปัสสนาก็ตามสติไม่ใช่ปกติเพราะว่าเราต้องกาสิ่งที่มันเป็นปกติเรา เ, เลยไปทาสิ่งที่มันไม่เป็นปกติเราต้องการคนสงบเราเก็เลยไปสร้างควมไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองควนสงบม่นจึงมีอยู่สองแบบ หรือสองอย่างด้วยกันสงกแบบหนึ่งนั้นสงบแบบไม่รู้อะไรคิดไปพวกไม่รู้ผมมีคนมาถามบ่อยๆถามต้นจนตายไม่ได้เนื้อเขาแปลว่าเขามีสติอยู่มันเองอันสติสัมปชนะัญญะรึกสติผมไม่ลึกได้สัมปชัญญะผมรู้ตัวอันนี้มันก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ และจำมาได้อันนี้ก็มีอยู่แล้วเราจะไปสนใจอย่างนั้นเราสนใจวิธีที่จะแก้ปัญหาปัจจุบันเราไม่ต้องมองไปให้มากเกินไปและเป็นั่งทำกัมาถ่านไม่ต้องการอยากให้มันคิดต้องการอยากให้มันสงบกันไม่ก็ถือว่ายัางเข้าใจน้อยในนั้นเราไม่เข้าใจคือเราไปเข้าใจกับตำราเราไม่ได้เข้าใจความจริง การปฏิบัติมันเลยต้องการความสงบความคิดนันไม่ต้องห้ามให้มันคิดมันอยาคิดยังไงให้มันคิดเป็นหน้าที่ของเราจะรู้ความคิดให้เรามีสติมีปัญญามาคอยดูความคิดเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพ อ, ด, อ, อ, อดีหนูออกมาแมวต้องจับหนูออกมาแมวต้องจับออกมาที่ได้จับทีนั้นเหมือนกับขุดบ่อน้นนี่แหละ เราไม่ต้องไปอัดรูน้ำให้มันออกมาน้ำมันยื่งออกมาเราก็ยื่งปวนปากบ่อได้ดีเราล้ลางเราล้ลางปากบ่อไปเมื่อล้างออกไปหลายครั้งไหนหนเดมเลนด้วยสิ่งที่สกปรกอยู่ในบอ่อนั้นมันก็หลบไปน้ำสะอาดข้างหนมันออกมาเต็มบ่อแล้วน้ำก็เลยไม่สกปรกน้ำก็เลยสะอาดอันนี้ก็เหมือนกัน เราดูความคิดของเราเนี่ยดูให้รู้จักให้เห็นแก้งให้รู้จริงไม่ใช่จะรู้จักจำมาจากตานานแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นผมจึงจะนําเรื่องที่ประชุมมาเล่าสู่ฟังคนไปนั่งทำกรรมฐานต้องการคนสงบเมื่อมีปัญญาสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเล็กเล็กนอน้อย บางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสนิดหนึ่งมันต้องการพูดต้องการคุยมันมันรู้ไปกับตำลักตำราแต่มันไม่คคยดูจิต ด, ดูใจคนนั้นยังมีความโกรธยังมีความโลภยังมีความสงสัยแต่พูดได้อันนั้นเป็นเรื่องของวิษนูให้เราเข้าใจไปในถนอนนั้นวิษณูอุปกิเลส คำว่าวิปัสสนอุปาคิเลสนี่เราไม่ค่อยรู้กันเราเพียงว่ากิเลสคืออะไรกิเลสก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองความเศร้าหมองเหลยกวมนทินมนทินก็เรียกวความสกปรกนั่นแหละเหมือนกับน้ำํำมาเข้ากับเป็กับเลนแล้วมันสกปรกอันนั้นเนี่ยว่าความสกปรกเรียกว่ามนทินอันนี้แหละเป็นความพวกเรื่องเป็นบาปเป็นกรรมทำบุญก็เป็นบุญน้อยบางที่อาจจะไม่เป็นบุญก็ได้ ก็มันเป็นภบพ่อท่านผู้รู้สอนว่มนทินบ้างจะปกปกิดบ้างจิตไม่สะอาดจิตเศร้าหมองบ้างและจะจะพูดยังไงพอเรื่องสมมติเท่านั้นเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งจรูง้จิตไม่ใช่ว่าศึกษาเพียงรูง้จำรู้คิดเท่านั้นบางนั้นจินตญาณแบบ น, นี้คือมันมีปัญญาสักนิหนึ่งมือคุณมาพูดเรื่องสติ กระตังเหล่านี้แหละอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนี้มันไม่เครู้สติเลยแต่มันไปสนใจเรื่องอื่นๆทางนั้นคอยแก้ปัญหาพูดคุยกันไปอย่างนั้นแก้ทุกไม่ได้คนนี้เสียสติสติไม่คอยมันคงไม่เหมือนวิปสัสสนาวิปัสสนาไม่เสียสติแต่ตอนจินตยานี่เสียสติทําให้มันสมองเตรืมไปไม่แน่นอน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 แต่คนเป็นวิตลาดได้ไม่เคยดูคิดใจไม่เคยดูความคิดความคิดมันคิดกู้ออกมาไม่เห็นมันไปเห็นผมรู้มันไปคิดผมรู้อันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมกินโดยพูดบ่อยๆเลยสุขแบบนอนไม่ใช่ว่าสุขแบบที่เป็นคนมีสัญญานอนมันเคยอยู่กับกองอุจจาระเคยอยู่ที่สุกโบก ที่ไหนสกอบกแมงวันมันไปตอมเมื่อแมงวันไปตอมแมงวันมันดูดขี้บ้านผมเรว่าขี้ไข่ขางที่แมงวันนั้นเนี่ยตัวกินตัวนอนขึน้นมาเราจะเอานอนมันออกจากที่สกุกอบวกนั้นมันไม่อยากออกคนนอนมันชอบสิ่งที่สกุกอบกดังนั้นคนเป็นนิพพานมืก็ามเป็นกิณตญาโก็ตามเป็นนิพพราวก็ามมันชอบอย่างนั้นกิณตยาณ นิพพัทธ์ประจนูมันเป็นอุปสรรคต่อปัญญาต่อสติต่อสมาธิคนไม่เคยรู้สมาธิแต่สมาธินั้นเพราะว่าสมาธิต้องเป็นนั่งหลับตาหรือนั่งภาวนาที่ไหนก็ตามและต้องทําให้จิตใจสงบอันนั้นสมาธิแบบมันจะถูกน้อยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นคำว่าถูกน้อยเนี่ยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอรนมันจะสมบูรณ์ไหม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 ของคนทุกคนนั้นมันไม่มีความเดือดร้อนมันมีความสงบอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่คนนะสักในรัศสารก็มีอย่างนี้งอันตัวสมาธินั่นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่สมาธิคือตั้งใจเสมอเราทานอาหารเราต้องตั้งใจทานอาหารเราต้องรู้จักอาหารสิ่งนี้อย่าเป็นพิษแก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้ สิ่งนี้เราทานอาหารลงไปแล้วมันจะทําประโยชน์ให้แก่ร่างกายเราแล้วเราต้องรู้อันนี้โหลดสมาสธิคือสมใจจะไปไหนมาไหนไม่จนหลักจนตอไม่ลงคูลงคลองอันนั้นเด็กผมมีสติแตสติแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นสติแบบที่เราทําความเห็นแจ้งสติแบบควมเห็นแจ่มันอีกเรื่องหนึ่งควมเห็นแจ้งเห็นอะไร เห็นตัวชีวิตของเรานี่เองชีวิตของเรานี <Yeah. S 1> no ่มันสงบมันไม่เดือดร้อนมันไม่มีทุกนหรือจิตใจของเรานี่ตรงเหมือนกันมันไม่ชอบความทุกข์มันชอบความสงบท่านภูรุก็เลยกล่าวเอาไว้ในสำรักจำลาลึกตัวนังซื้อมีเอาไว้ว่าจิตใจของคนมันมีความสะอาดสว่างสงบบางคนก็พูดอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้อะสะอาดสว่างสงบ พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเราจะเข้าใจว่าตัวหนังสือนั้นอ่ะมันดีแล้วแต่เราต้องทำความเห็นแก่ควรู้จริงเมื่อไม่มีความสะอาดสวาส่วางสกเขาเรียกว่าจิตใจเป็นชั่กบกจิตใจเป็นมุนทินจิตใจเป็นโมฆะสีวิตเป็นมุนทินสีวิตเป็นชั่กบกสีวิตเป็นโมฆะเพรโมฆะก็เปลนวัฏายไม่ได้โดยหุด บูลุกเขโมฆะบุรุษผู้ชายเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงวะเนี้แล้วก็ต้องหามาพูดอีว่าสติบุรุษไว้จากนั้นก็ได้คำว่าบุรุษผู้ชายคำว่าสติก็แปลผู้หญิงคำว่าโมฆะก็ไปว่าใช่ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็ใช่ไม่ได้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวโมฆะบุรุษโมฆะสติ่างนั้นให้พวกเราได้ศึกษา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 น้ำมันต้องมีหมักหลอดต้องมีไม่คิดต้องมีต้องการปุ๊บจุด ป, ปั๊บสว่างทันทีอันนี้ก็ถึงพร้อมแล้วเราทำมาแล้วอันนี้ก็ให้เราพิจารณาให้มันดีอันนั้นมันเป็นคำพูดคำว่ามีพร้อมแล้วนี่หมายถึงถ้าหากว่ามีผู้ใดมาปฏิบัติกับเราเราต้องรู้รู้แล้วต้องแก้ปัญหาสิ่งนั้นอย่าให้มันพาดไปอันนี้เพราะเรามีพร้อมแล้ว เราได้ปฏิบัติมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องทำอันนี้เรียกว่าประสบการณ์อย่าเพิ่งไปดูติดตัวหนังสือเรียนตั้งเต้นหนังสือจำมาแล้วไปสอนคนอื่นนั้นเขาเป็นแล้แก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเขาแก้ปัญหาไม่ได้แต่เรียกว่าคนดีมีมากแต่ทำให้คนดีนั่นแหละเป็นคนเลวมีมากเช่นเดียวกัน บันีึกคนดีมีน้อยคนที่จะเสาะแสวงหาคนที่กำลังเลว้ายนั่นแหละให้เขากลับมาเป็นคนดีได้อันนั้นมีน้อยคนหรือจะพูดตรงๆก็คือบุคคลที่มีปัญญาเคยประสบการมานั้นจะแก้ปัญหาบุคคลที่กำลังเป็นวิปัสสนาเป็นกินตยานเป็นวิปลาดให้บุคคลตกไป ให้เขากลับมาเป็นคนดีนั้นมีน้อยคนไม่พูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนกำลังกินเหล้าเล่นการพ น, นันสกบุรีเที่ยวเส์ไปเส์มาใส่ น, นมานนี่โดยที่ไม่รู้สึกตัวจะไปสอนให้บุคคลนั้นกลับคืนมาเป็นคนดีให้เขาเลิกลาจากสิ่งที่ผิดๆนั้นมีน้อยคนอย่างนีน้แต่สอนให้เขาเป็นอย่างนั้นมีมาก อันนี้มีมากพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าผมนี่พูดให้เพื่อนเสียไม่ใช่อย่างนั้นก็พูดความจริงให้กันฟังโดยมากบนไปนั่งกรรมฐ า, านก็ตามใเนเจริญนิพพานก็ตามไม่เคยดูความคิดตัวเองผมเองอันนี้ไม่รู้ความคิดิ่งที่ผมพูดนี่ผมประสบมาผมจินรับรองได้บางทีเดินจมกล ม, าา ม, มก็ตามนั่งสมาธิก็ตาม มันไม่เห็นความคิดนี่ความคิดมันวูบกระพามันไม่เห็นมันก็เลยไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นโดเห็นจริงๆดรงนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆกี่ประการแล้วแต่มันจะเห็นอันนั้นไม่อื่นไกล จิตใจของเรานี่เองมันวูบออกไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจบางทีนตัวเราเนี่ยผมต้องการอยากหายตัวได้แผมเป็นอย่างนั้นผมจะเจริญนิพพานไปเจริญสมถานพราะผมอยากมีลิ์อยากมีเดชเนี่ยอยากหายตัวได้อยากห อ, อกได้พูดให้มีแต่เสียงไม่อยากให้เขาเห็นนี่ไม่คิดไปจางนั้นอยากทำมีการปลุกเสกทำให้มันน้อยคนได้ ทำให้มันหลายหลายคนได้มันคิดไปลอยอันพัญญาแต่เราวางโครงการอันนั้นมันทิดแต่เมื่อไปปฏิบัติจิตใจมันเคยคิดอย่างนั้นมันเลิตปรงขึ้นเมื่อมันปรงขึ้นม า, มมนนมาเราเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นใจไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองอันนี้แหละที่ผมนํามาลรมาตรวจจิตสะ ก, กิดใจของพวกเราวิธีที่แก้มันก็มีครับหน วิธีที่จะแก้และจะทำอย่างไรเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำํำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาไปอย่างไรเราต้องฟังฟังคําพูดเขาก็ดูลเมื่อเขาพูดออกมาเราก็ต้องจับได้จับคําพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นผมนี่ก็เป็นเหลงต่า ก, กับเราเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเขาเป็นพระอรหรันต์ มีอคนมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วจะไปมองเห็นคนพูดไกลๆอยู่ที่คนละจังหวัดกันได้ยินมือตาทิพย์เขาหมุนสลากกินแบงรือเขาทําการทํางานอะไรอยู่เรามองเห็นอันนั้นคนไม่เข้าใจเพราว่าตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็หมายถึงคนมาพูดอันใดอันหนึง่งที่มันทิพแล้วก็มาดูจิตใจของเราเรามองเห็นว่า คนมันพูดผิดแล้วมันพูดเรื่องไม่ถูกจนงับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนั้นเรียกว่าตาทิตหูทิพยคือคนนั้นพูดมันไม่มีสาระมันไม่มีแกนสารมันดับทุกไม่ได้ต้องดูจากอันนี้เรียกว่าหูทิพย์ไม่ใช่วาทิพย์แล้วไปมองไปเห็นอันนั้นไปฟังอันนี้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคำพูดมันเข้าใจกับตัวหนังสือ ที่ผมพูดนี่ผมรับรองได้รอยเต็มการเจริญนิพพานจ้ อ, นองเข้าใจให้มาดูต้นตอของชีวิตให้เห็นชีวิตจริงเมื่อชีวิตเราคิดปุ๊บขึ้นไปเมื่อไ่ชีวิตคิดนะตัวจิตใจมันคิดปุ๊บขึ้นไปโัวจิตใจก็ต้องเห็นชีวิตก็ต้องเห็นชีวิตคือความมีอยู่ชีวิตคือลมหายใจชีวิตคือการต่อสู้อย่าพูดยังไงมันก็ไม่จบพอดคือชีวิตของเรานั้น มันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันก็สะอาดสว่างสงบอยู่แล้วตัวที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สมุบมันไม่ใช่เป็นต้นตอของชีวิตมันไม่ใช่เนต้นตอของใจมันเป็นอะไรมันรูกเข้ามามันมาซัวั้งซัวข่าวเท่านั้นเราต้องมองตัวนี้ให้เห็นให้เข้าใจ ดังนั้นคำว่าเห็นแจ้งรู้จริงนี่มันต้องเห็นว่ะชีวิตเราสกปรกไหมจิตใจเราสกปรกไหมมีโทสะโมหะโลภะเข้ามาไหมหรือไม่มีเราต้องเห็นต้องรู้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็พูดได้แต่ก็ดีพูดได้นี่ดีแต่ว่าเอาไปใส่กับเราไม่ได้อนนั้นด้ยวยโมหะบุลุษโมหะสตรี เขาว่าโมฆะโดยวาไซไม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันไซไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันไซไม่ได้อันนี้ถ้เ่เรีกาคนไม่รู้วาภาษาบ้านผมเลือกวคนไม่รู้คนอวดดีผมเรียกคนอวดดีมันไม่ใช่มีดีแล้วเอามาพูดให้คนฟังอันนี้แหละท่านทั้งหายทิกสู่แปลผู้เห็นภัยเห็นภัยจริงๆริเรื่องนี้เรียกว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริง พวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปัดสนูถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าจิมตญาตถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าิจตลาดเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ